บัวตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาด้วยความเคารพด้วยสัจจะคือความจริงทำคําสั่งสอนที่พระองค์ทรงประกาศไว้ล น, นั้นที่เป็นสวัสดิธรรมก็เพราะพระองค์ทรงประกาศจริงจริงทั้งเหตุ จินชั่งผลจินชั่งเหตุนั่นคือผู้ปฏิบัติต้าปฏิบัติจริงจริงผลก็ย่อมมีผลปรากฏออกมาให้เราได้รับได้รู้ได้เข้าใจจริงจรงิความสุขเกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็เกิดขึ้นแต่ผู้ปฏิบัติจริงๆ เพราะฉะนั้นทำคําสอนของพระองค์จะต้องบังเกิดขึ้นเฉพาะผู้ปฏิบัติจริงเท่านั้นย่อมมีผลให้ประกฏให้ผู้ปฏิบัติมีกำลังใจให้ปฏิบัติยิ่งขึ้นไปถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคขัดข้องอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นสิ่ง ที่เหลือวิสัยสดับผู้ที่มีความเลื่อมใสในความสักธรรมคือความจริงที่องค์สมเด็จสมมาสัมพุทเจ้าได้ส่งตับไปแล้วนั้นฉะนั้นเราทางหลายควรพทยามปฏิบัติถึงแม้ว่า เราปฏิบัติชั่วเวลาเล็กน้อยแต่เมื่อเราทำจริงสม่ำเสมอทำบ่อยๆก็ย่ยอมสังสมความรู้ความเข้าใจความฉลาดความสา ม, มารถพืบคลานไปสู่ความเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับเพราะอาศัยเราทำ เป็นประจำการปฏิบัติจิตภาวนาเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเราควรให้ความสำคัญในการปฏิบัติด้วยอาศัยที่เราสอบส อ, บองคลิตพิจารณาตรวจรองดูแล้วจิตที่ไม่ได้รับการอบรมนั้นไม่สามารถที่จะใช้การใช้งานได้ดี เหมือนจิตที่ได้รับการอบรมแล้วไม่ว่างานประเภทไหนก็ตามไม่ว่าทางโลกทางธรรมแม้แต่การปรุงอาหารการบริโภคใครๆก็บริโภคอาหารทุกทุกคนแต่ผู้ที่ชำนาญผู้ที่ปรุงอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพก็ต้องอาศัยเป็นผู้ได้ศึกษา ได้เข้าใจในอาหารโภชนาการทั้งหลักเพียงริชาความรู ป, ปรุงอาหารก็สามารถทำความสุขความเจริญมีไรายได้สู่ครอบครัวได้ ท, ทั้งทในอาหารทุกคนก็บริโภคน่าจะทำได้ทุกคนแต่ก็สำหรับคนที่ไม่ได้ฝึออกฝนอบรมแล้ว ถึงทำได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควรเหมือนกับผู้ได้อบรมแล้วชั้นใดก็ดีในทางธรรมก็เช่นเดียวกันเราต้องการความสุขในทางธรรมถ้าเราไม่ได้รับ ก, การอบรมแล้วยากที่จะบังเกิดขึ้นแก่ผู้ไม่ได้รับ ก, การอบรมเพราะทางธรรมนั่นเป็นที่พึ่งทาง จ, จิตใจ ส่วนการงานอาหารการบริโภคที่เราได้มาเป็นเครื่องสนุบํำรุงร่างกายให้อยู่ได้สนั้นใจของเราทำไมได้รับการอบรมมีคุณธรรมมีคุณสมบัติประจำใจแล้วก็ยากที่จะทำความสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ถึงแม้ว่าร่างกายจะมีความสุข แต่เมื่อมีเรื่องแต่เขากระเทือนทางจิตใจไม่มีธรรมะเขาไปช่วยเหลือย่อมได้รับความทุกข์ใจเสียใจน้อยใจไม่มีทางออกสิ่งเหล่านั้นครอบงำจิตใจได้ทำให้จิตใจลงไหลเข้าใจผิดแล้วปฏิบัติ ด, ดำเนินชีวิตไปผิดผิดนี่ได้รับความทุกข์เพิ่มขึ้นอีกแทนที่จะได้ความสุข ได้ตรงกันข้างส่วนผู้ที่ได้อบรมจิตใจในทางธรรมเมื่อมีสิ่งที่มากระทบอกระเทือนจิตใจย่อมมีอุบายแก้ไขทิไม่ให้สิ่งที่กระทบกระเทือนนั้นครอบนำจิตใจหรือเรียกได้ว่าทุกข์ เกิดขึ้นในจิตใจแล้วเราย่อมมีอุบายเขมระหาทางออกด้วยการประพฤติธรรมด้วยสติด้วยปัญญาที่เราทํางห้าได้ฝุกผลอบรมแล้วนะเมื่อธรรมะเือสติปัญญาเข้าไปช่วยเหลือจิตใจย่อมชี้หนทางออกให้เราทั้งหลายออกจากทุกข์เหล่านั้นได้อย่าง สะอาดหมดจดและบริสุทธิ์ทั้งที่ฉลาดในการป้องกันไม่ให้ทุกข์เหล่านั้นครอบงามขึ้นได้อีกหรือบังเกิดขึ้นได้อีกแต่จิตใจของเราได้รับการอบรมถูกต้องแล้วเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา และพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ได้รับการอบรมจิตใจมาอย่างถูกต้องแล้วท่านมีความเจริญเขาหน้าสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยความสุขไม่มีจิตดวงไหนที่ไม่ได้รับการอบรมแล้วเป็นผู้ฉลาดขึ้นมามีความสามารถจะทำความเจริญให้แก่ตัวเองมีแต่จิตที่ได้รับการอบรมแล้วเท่านั้น เราทั้งหลายควรทำความพอใจในการที่เราทั้งหลายได้มีโอกาสมาอบรมจิตการอบรมจิตเป็นสิ่งละเอียดมากถ้าเราไม่มีสติเข้าไปในลึกช่วยเหลือแล้วเราก็ไมสามารถจะรู้ว่าจิตของเราเป็นอย่างไรจิตของใครจิตของเรา บริสุทธ์เรือผองใสเพราะสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะแก้ไขอย่างไรเราไม่สามารถจ ะ, จะรู้ตัวของเราเพราะเหตุใดเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเรารู้อาศัยทางตาตาไปรู้แต่รูปภายนอกไม่ค่อยได้รู้รู้จากรูปภายในตัวของเราเองเลยเราอาศัยความรู้ทางหู ก็ได้ยินแต่เสียงภายนอกเราก็ไปคิดนึกปรุงแต่งตามเสียงภายนอกส่วนเสียงภายในที่ออกจากตัวของเราเราไม่ค่อยได้ตรวจเราทนี้พิ่เจรณญาไม่ค่อยจะได้อบรมให้จิตใจฉลาดรู้เท่าความจริงกับเสียงออกจากตัวของเราเพราะฉะนั้น ทุกประเดีภัยประเดีซึ่งเกิดขึ้นจากภายในเราจึงไม่มีความรู้ตัวเราไม่สามารถจะแก้ไขทุกภายในจิตใจของเราได้เพราะเรามัวแต่ไปเติมเพลินหลงแต่ภายนอกเรียนรู้แต่ภายนอกสำคัญหมายแต่เพียงภายนอกจึงเกิดความผู้สร้างจึงเกิดความ ลำคาญตามมาภายหลังเพราะฉะนั้นการที่เรามาเรียนรู้สิ่งภายนอกจึงใช้การใช้งานได้ประโยชน์ไม่สมส่วนเท่าที่ควรเพราะทุกทั้งหลายล้วนแต่บังเกิดขึ้นภายในมีอยู่ในตัวของเราทาั้งนั้น มรทมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นที่พระองค์ให้กลับมาดูภายในมาแก้ไขภายในปัะทุกภัยทั้งหลายไม่ใช่ไปจากคนอื่นทำให้สร้างให้เราเองทำเองสร้างขึ้นเองประกอบขึ้นเองเราควรมาแก้ไขตัวของเรา ถ้าหากว่าจิตใจของเราไม่สร้างทุกข์สร้างภัยแล้วทุกภัยก็ไม่เกิดขึ้นในตัวของเราที่เราได้มีทุกข์มีภัยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากจิตใจตัวนี้แหละที่มันหลงสําคัญผิดไปสร้างขึ้นมาให้ได้รับเสวยผลวิบากคือทุกข์ตามมาภัยลัง เมื่อได้อบรมจิตใจสร้างความดีสั่งสมความดีแล้วผลิตความดีออกมาจิตใจของเราก็ได้รับผลคือความสุขได้รับผลคือความเจริญนี่เราสังเกตได้รู้ได้ในจิตใจของเราเมื่อเรามีสติดีมีปัญญาดี ระลึกถึงทรรำคาสอนพระพุทธเจ้าแล้วเข้ามาปฏิบัติเดินตามทางพระองค์เราก็ได้รับความสุขจากการประพฤติ ร, รมและปฏิบัติธรรมไม่มีเวรไม่มีภยัยสมควรตามกำลังธรรมที่เราสามารถที่จะยึดยกมาประพฤติปฏิบัติเพื่อหาักอบรมได้เราประพฤติปฏิบัติจิตใจมีฐานะอยู่ในธรรม แต่ส่วนหยาบๆเราก็ได้ความสุขอย่างหยากถ้าเราปฏิบัติ จ, จิตใจมีความละเอียดมีความสุขความกลาง<ม>ก็ได้รับผลสุขตามกลางถ้าจิตใ จ, จได้ฝุกผลให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปเราก็ได้รับผลคือความสุขอย่างละเอียดถ้าจิตใจสละสามารถชาระ ส, สางเหตุปัใจจัยให้หมดจดของใสบริสุทธิ์แล้วจิตก็ยอมลดทอ น, นจากอสวะคือตัวสมุทยเป็นปัใจจัยให้ทุกเกิดทั้งปวงได้ให้ถึงซึ่งความสุขแท้จริงเป็นผู้ดับสนิทจากกองทุกทั้งหลายเพราะเหตุนั้นการอบรมจิตใจ สมควรแล้วเราทั้งหลายควรพยายามเอาใจใส่เป็นสิ่งส้นไม่เนื้อวิ่ใสที่เราทั้งหลายอบรมไม่ได้เพียงแต่เรามีสติคอยกำกับและเลือ ก, กตัวไม่ให้เผลอทำจิตใจของเราให้สบายถึงแม้ว่าจะไม่สบายทันทีทันใดนั้นความสบายก็ย่อมเกิดขึ้น มีความรู้สึกสบายเกิดขึ้นดีกว่าเราปล่อยจิตของเราไม่ให้ไม่รู้ตัวผู้สั้นไปข้างนอกเมื่อเรากำหนดรู้ตัวด้วยสายความรู้ต่อเนื่องกันมีสติคอยกำกับเพื่อให้เป็นสมาธิคือจิตตั้งมั่นแน่วแน่ ไม่งอนแนงินคอนแทนเมื่อขาดจากอารมณ์ภายนอกแล้วจิตก็ตั้งเป็นสมาธิตั้งตัวได้เมื่อจิตมันสงบตังต้งตัวได้เป็นหลักเราก็ไม่ต้องควบคุมยากมันเป็นอัตโนมัติตามลำพังของจิตเองเราจะต้องมีความอิม่มความเบิกบานในจิตพองแพวในจิต ถ้าบุคคลผู้นั้นทิปปยาพิญญาที่จะเกรดสรุรทำได้แ็วพลันปัญญายาญก็ย่อมเกิดขึ้ น, นที่ยช่างทางให้เราเห็นทุกตามความเป็นจริงเห็นเหตุให้ทุกเกิดแจ้งชัดให้เกิดความเบื่อหน่ายในทุก เห็นทางออกจากทุกข์ได้ถึงซึ่งความสุขแจ้งกรอจัดสิ้นสงสัยในปัจจุบันจิตใจได้เข้าถึงซึ่งความสะอาดหมดจดไม่มีเครื่องเศร้าหมองคุณมัวเหลืออยู่ในจิตใจแม้แต่น้อย เพราะอาศัยการอบรมจิตทางนั้นเราพยายามอยู่บุญบาสนาปรมีอินทรีย์เกล้าแล้วการรู้การเห็นนั้นเป็นอาการลิโกไม่ได้เลือกการเลือกเวลาไม่ได้เลือกอิริยาบถถ้ามันถึงเต็มเปี่ยมรอบเมื่อไรเราก็จะรู้ได้ในเมื่อนั้นในอิริยาบถนั้ น, น, น เหมือนพระอริยะบางองค์ท่านกําลังเดินเดินอยู่พิจารณาไปพิจารณาไปก็ได้สําเร็จก็มีบางองค์กับท่านเดินนั่งภาวนาสําเร็จในที่นั่งโดยเฉพาะคนเดียวไม่มีใครช่วยเหลือตรวจพิจารณาไปพิจารณาไปดวงกัญญาดวงนั้นเกิดขึ้นแล้วให้แจ้งไปจากให้จากอาสวะทั้งหลายได้เบ็ดค่ะ ด้วยปรมีบุญกุศลญาศิยราศีที่ระอบรมสั่งสมมาตามกันดับางบางองค์กำลังฟังเทศอยู่ท่านแสดงทมอยู่กำหนดจิตไปได้ตรงถูกต้องโดยเฉพาะในธรรมที่ท่านแสดงเข้าใจลึกซึ่งสามารถกระอาสวะ กิเลทั้งหลายได้ขาดในเวลานั้นก็มีบางองค์เตรียมตัวจะเลิกภาวนาจะพัดผ่อนเหมือนกับพระอนุนเดินจงกลมจนเหน็ดเหนื่อยก็ยังไม่ได้บรรุธรรมเห็นธรรมเห็นบรเหนื่อยว่าจะเอนกายสักหน่อยเพราะกําลังเอนตัวลงเสียจะจถึงหมอนแลกรเท้าจะพดจากพื้นดินท่านก็ได้สําเร็จในระหว่างนั้น โดยง่ายๆโดยไม่ได้นึกว่าจะสำเร็จด้วยอิริยาบถนั่นนึกท่านว่าจะพักสักหน่อยเท่านั้นแต่ก็มาประสบเหมาะพอดีให้ท่านได้สำเร็จในเวลานั่นแหะไม่ได้รู้ล่วงหน้าว่าจะต้องสําเร็จด้วยวิธีอย่างนั้นแต่มันรู้ได้เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นเองเราทั้งหลายก็ไม่ควรประมาทไม่แน่นะักบางทีปรามีธรรมของเรา ได้ฝึกอบรมมาแล้วเกือกจะเต็มรอบแล้วก็เราก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นเราไม่ควรประมาทแต่เราพยายามมีสติตามกําหนดรู้จิตใจของเราเมื่อถึงคราวจะสําเร็จได้แล้วเอินทรีย์ทั้งหลายมันเกิดกล้าบางเกิดขึ้นสัดอินทรีย์ก็เกิดกล้าวิริยเอนไซม์ก็เกิกล้าในปัจจุบัน สตินสีก็สามารถขีดกันทนึกกําลังในการดินลึกวิริญญสีความเพียรกับในความพยายามเพื่อจะได้ให้ชัยชนะซึ่งกิเลสอาสวะทั้งหลายสมาสินสีก็ตั้งมั่นแน่วแน่ไม่คิดเรื่องอื่นไม่กลัวตายไม่กลัวอันตรายไม่กลัวใดใดทั้งสิ้น ไม่หวันไหวจะมีสิ่งใดจะบังเกิดขึ้นในขณะนั้นมุ่งมั่นโดยเฉพาะจุดเพื่อเอาในจุดยุทธศาสตร์เพื่อจะเอาชนะอย่างเดียวผลที่สุดก็สามารถเอาชนะได้ด้วยความมั่นไม่ลดละด้วยสติระลึกไม่ลดละ ด้วยความเพียรพยายามด้วยศรัทธาความเชื่อมั่นในการกระทำของเราเองอปัญญาเกิดขึ้นสามารถจัดความมัวหมอง เ, อเหมือนกับเอพระอาทิตย์บางเกิดขึ้นกําจัดความเมิดฉะนั้นให้หายไปถึงแม้ว่าจะเมิดมาก่อนนามยาวนามสัเท่าไยก็ตามเมื่อดวงอาทิตย์ส่องเข้าไป ไม่มีอะไรปกปิดแล้วจะต้องสว่างจ้าหายมืดเรานั่นหายไปหมดจิตใจของเราเหมือนกันถึงแม้จะมีอวิชชาหุ้มหอมาจากกี่ร้อยชาติพันชาติอสงไขอสงไขาชาติแค่ไหนเพียงใดก็ตามเมื่อคุณธรรมคืออริยมรร ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาญาณทัศนบังเกิดขึ้นแลน้วย่อมสา ม, มารถกำจัดความรู้ผิดความเห็นผิดความเข้าใจผิดผดถอนออกหมดหลือแต่ธรรมชาติหลือแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรม เคยยึดถือวัดตัวตนของเราอาหังการมามังการแต่สำคัญเราในเราสินเหล่านี้ถูกปัญญาถอดถอนความยึดความถือความล้งความเข้าใจผิดด้วยอำนาจแห่งพลังวิปัสสนาที่เราทั้งหลายได้เจริญภาวนาแยกแยะพิจารณาสามารถจ่เข้าใจสภาวะธาตุสภาวะธรรม เข้าใจในรูปขันว่าเป็นรูปขันวัตรูปไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเข้าไปอยู่ในรูปที่นั่นเลยรูปนี้มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถูกสั ง, สงขารเข้าไปปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอยากย้ายไปมาไม่มีขอบเขตเข้าไปรู้สั่ แวเวทนาความสุขความทุกข์ทั้งหลายก็สักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นไม่มีความจริงไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตท์บุคคลในเวทนาไม่มีเจ้าของสัญญาความจาหมายต่างๆที่มนุษย์ทั้งหลายหลงเข้าใจผิดในเรื่องสัญญาของตัวเองลงยินดีลงหลงยินร้าย สร้างทุกข์สรางภัยเกิดขึ้นได้ๆรับความเศร้าหมองความมัวหมองเพราะผูกภัยด้วยความหลงเมื่อปัญญาวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นแล้วแม้แต่จะเคยหลงด้วยสัญญาเหล่านั้นมาจะปี่อสงไข่แชาติะตากย่อมทําลายได้เด็ดขาดในเรื่องสัญญาเส้นสงสัยไม่มีสิ่งใดตัวตนเราเขาอยู่ในสัญญาความหมายอันนั้นต์เลย สัญญาขัตตวะสัญญาในสังขารความปรุงแต่งจะเป็นสังขารภายนอกภายในประเภทไหนก็ตามก็ล้วนแต่สัตตวะสังขารปรุงแต่งเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาหรือของเราของใครเป็นสภาวะธาสภาวะธรรมไม่จงเป็นไหนแต่ไร เราหากไปยึดไปถือว่าเป็นของตนเป็นตนของตนเป็นเจ้าของแท้ทจริงนั่นเขาเป็นอยู่อย่างนั้นแตบบ่พระเจ้าพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ตามก็มีอยู่อย่างนั้นพระองค์ยังไม่ตรัสรู้ก่อนนั่นโลกนี่ก็ยังมีอยู่อย่างนั้นวิญญาณก็เช่นเดียวกันสักแต่ว่าวิญญาณ เมื่อประจุกันแล้วเกิดความรูปอาศัยพัสสะอาศัยอายตนา ร, รูปรูปรูปเสียงรูปกลิ่นรูปรสรูปสัพพะอังสังงมเมื่อเราแยกออกแล้วก็วิญญาณ น, นั้นก็สัแต่ว่าวิญญาณเท่านั้นไม่มีสัตว์อยู่ในวิญญาณไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีใครสัได้ว่ารูป แต่เราไม่ยินดียินได้เลี่ความรู้อั น, นันมันก็เป็นธรรมดาเป็นธาตุโดยสภาวะธาตุสภาวะธรรมเมื่อรู้ความจริงไม่มีอุปทานนัครันความจริงนั้นปรากฏขึ้นในจิตใจในไารลักษณ์ทั้งสามนา ม, มารูปังอนิจจนามก็ดรูปก็ดรไม่เที่ยง นา ม, มารูปปางทุกขงังนามก็ดีรูปก็ดีล้วนแต่ให้ทุกสรดับบุคคลผู้มีอวิชชาครอบงำสำคัญไปแบกไปยึดไปถือว่าเป็นตนเป็นของตนแท้ที่จริงนา ม, มารูปไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตา หาอัตตายอยู่ในสิ่งเหล่า น, นั้นไม่มีมีแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมเป็นอยู่อย่างนั้นมีอยู่อย่างนั้นมเมื่อพิจาาแยกไปถึงนั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะหลงที่จะยึดถือจิตก็ปล่อยอิสราอสาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากความหลงเหล่านั้นก็ถูกทำลายไป วิชาดับไปวิชาเกิดขึ้นวิชาดับไปเหลือแต่ธรรมชาติธรรมทิติไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครเดือดร้อนแม้ธาตุลงจะพัดไปมาก็ไม่มีใครเดือดร้อนถาตไฟจะลุกขึ้นมามุกก็เป็นไฟน่ไม่มีใครไปเดือดร้อนถาดุน้ำแบบนี้หรือจะเหือดแห้งไม่มีใครไปเดือดร้อนเพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของ ไม่มีผู้ไปเป็นเจ้าของไปราบรู้รับเด็ดรดี่ยวแบบนั้นจึงเป็นสภาวะธาสภาวะจับขอให้เราทั้งหลายพิจิตรณาแยกเรียกว่าเจริญวิปัสสนาในรูปขันในเวชนาขันในสญยาคัดถ้าเรารู้ตั้งความเป็นจริงสิ่งแบบนี้ตั้งความเป็นจริงนะความสําคั ญ, ญยึดถือให้เป็นภาระอันหนักที่เคยแบกมาก็าถูกปลดออก เราก็พ้นจากภาระอันนั้นนิชชาโตปรินิพุโตได้เข้าถึงความดับเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราทาั้งหลายคนพยายามศึกษาและปฏิบัติเพืหัดอบรมทำได้เช็จนี้เราก็จะประสบความสุขความเจิดังบรรยายมากแต่นีไปภาวนาต่อถึงเวลาแล้วจึงนัดรองตัด